พระธรรมเทศนาแผ่นที่55ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2557มีชื่อเรื่องว่าอยู่ด้วยกันสำคัญที่กฎระเบียบดูสิว่า คัดเลือกมาวันที่ลงคะแนนเสียงผู้แทนมันที่สองแต่หลวงพอเบาวเมื่อวานหลวงพอวาตังแทนหลวงพ่อเกิดมานจนจะเขาเจสบปีเจ็ดลูเรื่องลูเล่าเมาใดกับแมปีนี่แหละเลือกผู้แทนอ้ลุง ต, ง, ง, ลงตรงนั่งไอ้ล่งตังนุ่งสรุปเลยก็คือบ้านเมืองคนในชาติของเฮา โบเป็นเอ ก, กฉันผู้ใหญ่โบเป็นผู้ใหญ่ผู้หน่อยโบเป็นผู้หน่อยผู้ใหญ่ก็บเบเวงเจ้าของผู้หน่อยก็บเบิ่งเจ้าของต่างคนต่างบเบิวรเจ้าของมีแต่ผู้อื่นเบรงแต่ผู้อื่นว่าผู้อื่นบ่ดีบเบิวรเจ้าของคันว่าแบบภาษาพอขุนล่ามก็ว่ามึ่งบรบมึงกูบเบิงกูนะไป ต่างคนต่างบงบงเจ้าของมันเหลืองก็เลยเป็นหนึ่งสี่ละลูกหล้านเลยแต่ว่าต่างคนต่างเบงเจ้าของก็จะมี่มองตํำนี้มีหมองบกพ่องเบิงเจ้าของมันต้องมีหมองบกพ่องกันหมองมกพ่องบกพ่องอยู่มองไดเอากระปัไปย่ามปะปุงแก้ไขเจ้าของต่างคนต่างปะปุงแก้ไขเจ้าของ คุณนงามความดีมันก็จะดขืนมาเท่านั้นแหละโมเมนต์ปะปุ่งผู้อื่นสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีมีสัมมาชีพสัมมาชีพคือนยังเลี้ยงอาชีพเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องเลี้ยงชีพในทางที่เป็นธรรมอย่าไปเบียดบงัง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 การยู่น้ากันขั้นเขาผมมีกฎกติกาการอยู่น้ากันเนี่ยมันก็คือกันกับเลี่ยงหลวงพ่อเนี่ยนะตัวใบใหญ่ยกหางขึ้นมากกัดมัดมูต่อมาลูกน่องแก่งขึ้นมากกเห็นหัวหน้าเท่าแล้วก็ดลูกน่องกัดกัดหัวหน้ามันหัวหน้ากัดแล่นนี้อีกต่อมากกัดกันอีกผลี่สุดก็เลย บมไม่กดบมไม่กติกาตัวใดเก่งตัวนั้นก็นเป็นตัวชนะเท่ามันบ่มเนสัตว์ป่ามนุษย์เท่ามันบ่มเนสัตว์ป่ามันมีกดมันมีระเบียบมีธรำไม่วินัยยังพระสงฆ์ขึ้นกันเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่เพื่อนก็บาได้บัญญัติกฎระเบียบบาได้บัญญัติวินัยพอว่าต่างคนต่างบวชมากแล้วก็ เป็นผูมุงมั่นตั้งใจให้ภาวนาเนอะให้บังใจเจ้าของเนอะพระรุ่นแรกก็คือพระเกรดเอเกรดเอก็ค่ายๆว่าขันเอาหัวกะทิในจิตในใจพอเกิดมาแ้หเห็ดจัางไรสิพลทุก็ยังพระพุทธเจ้าทีนะ่ะเห็นอนันใดจังทุกขังอนัตตาเห็นคนแก่ขนเจ็บคนตายก็เกิดความเบื่อหน่าย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 พอใดสำเร็จเหรอเดี๋พอทุกคนมีแต่เบิงเจาะของพอเบิงเจ้าของแล้วกับมีแต่ประกอบคุณง่ามความดีนั่นแหละจเป็นคุ้นดีนนแหลมันส่วนยาเฮ็ดบ่เฮ็ดบ่อิดบ่อพูดบอ่อทำคิดกับบ่อิดมันทีทําสิพูดใดจังไดเพราะความส่วนหู้จักอยู่แล้วความส่วนคืออย่างอออันนี้ก็คือในยุคแรก พ่อตอมากพ่นบวชหล่เขาหล่เขาไล่เขาท่ า, านี่เอมันคละเคล้ากันเลยได้ทนี่มีศรัทธาได้บ่กมีศรัทธาแดมีความเสื่อได้บ่กมีความเสื่อแด้บัด น, นี้เกิดขึ้นเอาไปมากกันนี่แหละก็ได้ทําความสวเสื่อเสียหายในวงการพระพุทธศาสนาขึ้นพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นเออเห็ุถึงสีมันบมแมนแน่ ว, ว่า สัทธา ญ, ญิามยอมเห็นโอ้ í, í, เฮ็ดจังสีผาทรงเฮ็ดจังสีมันเบิ่งมันบมแมนด้วมว่มีมารยาทที่ดีเล ย, เย โ, โลกโลกกวัชชะทางโลกเขาก็ติเตียนว่าถ้ามาวัชชะร้ำก็เพชดจังสีมันโมถือ ก, ก้มันบมถือกอดมันมบีกีระเบียบมันเอาหัดเอาเปียบผู้อื่นแบบนี้พระพุธทธเจ้าเกพิ่นหูจกักบอดมันต้องตั้งกฎ ก็เลยมีกฎเกณฑ์ข้นมาเรื่ว่าทำวินัยคือตั้งพระวินัยศีลและวินัยขึ้นมาเพื่อให้อยู่ในกรอบสำหรับศรัทธายาโวมก็คือศีลหาผู้ที่จะมานับถืออยู่ในศาสนาของเราตถ า, าคตให้มีกดจึงสีเด้อให้ไม่ระเบียบจึงสีเน้อให้มีกฎหมายคุ้มค้องแบบนี้เน้อ แต่พันกว่าโแมันกฎหมายพันว่าสินผัวเข้าถือว่าศินก็เลยเป็นสีต่อรอยหวัดในเงินออกไปพูดว่าศินเลยรักษาสินเงนออกไปศิลก็คือกฎระเบียบนั่นแหละขอที่หนึ่งอย่าขากันเน้อเนีว่าจยงนี้มันเป็นกฎหมายบ่พันเลยมันเป็นธรรมบ่มันเป็นกฎหมายบ่คำว่าศินคำหนี่งขอที่หนึ่งอย่าขากันเน้ออย่าคิดขากันเน้อขอที่สองจะคิดขโมยกันน้อ ขอที่สามให้เคารพทิดสามีภรรยาซึ่งกันและกันนะขอที่สี่ยาขี่ตัวกันนะยากโกหกกันนะตุมตุนหลอกลวงกันนะขอที่หาย่ากินเหล่านะอย่าเป็นกินของมึนเมาหนะ่อยแต่กินของมึนเมาขั้นช่ายยาฟินเฮโรอินอยาบ้ายยามาสุขล่าแม่ไล่เขาไปแล้วนะมันขาดจิตติแล้วมันเห็ุความั่วด้ทุกอย่างนะพอคลอดขาดจติต อย่าไปหาคือกินของมึนเมาเนอะมาพิจรารณาเบืงแลลวันีลยอันนี้คือกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้คารวะญาติโยมหญิงชายให้เบิ้งเจ้าของถ้าว่าพวกเขาคิดขากันผู้นี่คิดข่าพวกนั้นพวกนั้นคิดข่าพู้นี้ไปใสเกิดปืนเน็บมีด เ, เตรียมสัตราอาวุธไปพเพราะว่าไวใจกัน โลกทั้งโลกจะหาความสุขได้ไหมเอาเพิ่มเพิม เ, เห็ดเบ่งตาเขียวใส่กันแน่นั่นกันเอาล ะ, เอ า, ละเอามันเห็ดใส่กูตัวนี้ยมีกูก็มีอาวุธอยู่นี้ยนะผลได้โซ่กันอะเปี้ยงป่างใส่ ก, กันเอาบักหนิมนเห็ดอย่างไม้ ย, ยิ่งพอยิ่งแม่ยิ่งบ้งสาขนาดกูติมันจะขากูติเนี้เอาแม่เลยก่ยกพวกใส่กันมาเนี้ยนี่เราจะหาความสุขได้ยังไง ค้นคิดขากันเพราะนั้นยากคิดขากันพระพุทธเจ้าขันการบ่คิดบกขากันนั่นหละความสงบน่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นได้ชุ่มชน่นเพราะว่าไม่คิดไม่คิดขากันถ้าเขาคิดข่าเราเราคิดข่าเขาถ้าเม้าเม้าไปข่าพ่อแม่พี่น้องของเขาเขามีความรู้สึกจังไดถ้าเขาม้าข่าพ่อแม่พี่น้องหลูกหลานของเฮา เฮาเสียใจเฮาเสียความรู้สึกอย่างมากเขาเฮาคือกันเพราะฉนั้นเอาหัวใจเขามาใส่ใจเฮาใจเฮาใจใจเข า, เขานี่ยแะคือถ้ำขั้มสอนของพระพุทธเจ้าอาทิตย์นหน้าท่านคือนเฮาไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเฮาเออขโมยสิ่งของเออขโมยงัดบาทเออขโมยงัดตูเชฟ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 เท่ากันั่งจุกคขื่อนนะนะเสียจ่ายอย่างมากทั้งเขาลบลูด้วยทั้งเขาดูถูกด้วยทั้งเสียของไปด้วยกลายเป็นคืดมากกว่าจะขากันได้พอเขาขโมยมากขาขโมยของเฮ้าออันนี้แหละเขาเฮ้าทิ่หน้าท่านอยาขโมยกันเนอกฎหมายของพระพุทธเจ้าข้อที่สองสำหรับควบคุมดูแลคารวะ ข้อที่สามกาเมสุมิทสาจานยาราเวรมนีเนสามีภรรยาลูกหลานของผู้ใดเขาก็รักรักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเฮาไปล่วงร่ำเขาไม่เคารพศิษฐ์เขาเขาเสียความรู้สึกเขาเสียใจถ้าเขามาล่วงลำเฮาเอา่อในสามีภรรยาลูกหลานของเฮาเฮาก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพศิษฐ์ คอของเขามันมีกดมันไม่ระเบียบให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกันละกันนี่แหละคือสินหาใจเขาใจเฮาคอที่สีมุสาว า, า่ายากี่ตกยากี่ตัวยากโกหกต้มตุนหลอกล่วงคนอื่นเขาถ้าเฮาไปต้มตุนหลอกล่วงโกหกเขาเขาก็เสียใจ เสียความรู้สึกตัวหนาตัวหลังยิ่งเป็นผู้ใหญ่บอกวัยุกระลองกระล้อยเดี๋ยวโกตัวว่ามือนั้นคนแรได้วกว่ามือนี่กี่ตัวเอาแก่ผ้าแก่ผ้าเอาหนาหลอดเป็นมือหมื่นเว่นไปขาดความเคารพในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพันกากระบาดกาหนาไว้แล้วนะคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้นะ จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีให้พวกขาฟังเข้าเอาไว้พระพุทธเจ้ากากระบาดไปเลยล่ะคนไหนสอบโกหกหาความจัดความจริงวัไหนจะทาบกทิฐิทำความสัวอย่างอื่นเป็นบ่มี่ไหอันนี้ก็คือสินข้อที่สีคนที่สอบโกหกนะเมื่อเข้าไปตุมตูนเขาหลอกลวงเขา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 ของศิลธรรมของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาเราก็คอที่หาเนี่ยเข้าเอาเงินไปซื้อเหลากินไม่จะไปเหตุซื้อถูกต้องตามกฎหมายอีกต่างหากว่เห็นจะเดือดร้อนกับไพยไม่หายหนุงหยังฮะก็รมาซื้อยาบา่ายยาหมากคันซา ย, ยาฟินเออมันพิดกฎหมายซื้อเหล่ามันถูกกฎหมายอยู่แล้วไม่หายหนุงกับเพมันโนราณจะพิษมันแมนยู สื่อขึ้นมามันผัวพิษแหละกินเขามากกอกปากเจะของอีกต่างหากบไริบทกอกปากผู้อื่นแต่เพราะมันกินเขามากแล้วมันเมาได้ป่ะเ่อพอเมาขึ้นมามันขาดสติคนขาดสติปืนยึดมือเนี่ยเออเนี่ย ป, ป่างปิงไปผู้อื่นนั่นแหละมันพิษตะบาดเพราะมันขาดสติคนขาดสติแนละทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะปันพิบัตนะิคันพิบัตมีอาวุธในมือของมันนะ่ะ มีสัตราในมือของมันเออมันดีดาไปมันกราพอมันมีมันขาดสติมันโวจวักความหยาบหยั่งเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพูดบอกว่าจะไปกินเหล่านะถ้ามันกินเหล่ามันขาดสติขั้นขาดสติแล้วไปทำความซวยในทุกอย่างเออแต่บางค้อนบอกว่ากฎหมายบอก่าเพราะคนเมาเออมันก็เลยมันเลยทา ได้ทุกอย่างกฎหมายกันเลยลดโทษเฮ่อพอมันเมาก็แม่หลวงพ่อถวายบ่แล้วขันมืองกินน้ำซื้อเมื่อซื้อเมาได้จังได้เมื่อไปหากินเหล่ามันก็เมาตัวเมืองหูจ้กวว่ามันเมาเมื่อจะกินให้ยังมีแต่กูสิยัดเขามันคู่มันเล็กๆคนนั่นอีคนนูไปก็แม่หลวงพ่อว่าเออเพราเหตุใดเพราะมันขาดสติเดชหูจ้ากินแล้วถ้ามันกินน้ำซื้อเมื่อกินน้า สมน้ำหวานขูดจั๊กมันบ่เมาไม่กินน้ำเหล้ามันก็เมาพอเมามันขาดสติขาดสติมันก็มันก็เฮ็ดสัวได้ทุกอย่างนะอกินเข้าไปแล้วยอมใจเจ้าของอีกเพราะยอมใจเจ้าของเนี่ยใคมันกล้าคือตัวไปมันเป็นบ้าปเนี่ยไปคือการครับสร้างประวัชาติสมัยก่อนที่เขาซึกสงครามเนี่ยเขาจะให้มันกินเหล้าเพราะกินเหล้าเข้าไปมันโมจัก เป็นจักตายได้เป่าเนี่ยปอยเข้าไปก็บลึงตึงนั่งตีสะพุ้นะพื้นพอมันเมาเลยอันนี้คือกันคนเมานียทำความส่วนเลทุกอย่างเออพ่อขับรถไปกันน่ะขาวายาขับยาขั บ, บอันตรายนะไม้ปวดไปยังเพราะมันขาดสติได้ขาดการยับยัง้งปอะนั้นศีลหาของพระพุทธเจ้าที่พวกเข้ามา ทบทวนพิจารณา ก, กรารกรองไตรตอง้วยเหตุและผลแล้วเป็นศีลที่คุ้มคล้องโลกจริงๆเมื่อผู้ใดรักษาศีลใดแล้วเป็นศีลที่คุ้มของโล ก, ก, ส, ล ส, โลกสิบว่าเข่าคุกเข่าตาร่างอีกต่างหากคุกตาร่างเนี่ยไปว่ามัดประตูคุกเนะี่ยบอมีเลยแล้วบ่มมี่ผู้ใดพิษที่มันพิษคุ ม, มือเนะ่พวกเขาให้พิพากษายายการ มาอะไรบังมันพิษศีลคอใดวะที่มันเข่าคุกพวกนี้มันล้วนแล้วจะพิดศีลหาทั้งเกือบทั้งหมดเออมันพิดเสียดมันพิษสิวมันพิษไก่ไกขลุโทษเราหุโทษเอโทษศีลไหมยังสิล่ะ อ, อมันมีนักมีเบาเป็นขันขันคำเป็นภวิไหของพระคือปาราชิก รถจงปราชิกสังขาที่เสษทุนละใจปลาจิตติทุกกฎแต่มันเป็นเครือข่ายเครือข่ายอาบัติหนักคือกันแต่มันลดโทษลงมากมันทาท่ำหมเต็มหมเต็มที่แต่มันเก่าเครือข่ายนั่นมันไปนี่แหะอันนี้คือสินและวินัยหรือว่ากฎหมายของบ้านเมืองกัลักษณะคือกัน เพรานั้นเฮาฮู้แล้วว่ามันกฎระเบียบของประเทศชาติมันคื อ, อยังบานเนี่ต่างคนต่างหูเฮ็ดจางสี่มันพิษเฮ็ดจางสี่มันถื่ต่างข้นกับต่างไดลเลี่ยนได้รับการศึกษามากปริญญา ต, ตรีโทษเอกแต่ละติแต่ละประเทศชาติส่งคนไปเฮียนหนังสือจากต่างประเทศหรือในประเทศตั้งแต่เกิดมา เกือบจะว่ายูในทองปีสองปีทรงกับเฮียนหนังสือล่ะเฮียนกดเฮียนระเบียบเปียบสอนกันทบหูจักดีโบหูวจักสัวปณุอันดีสัวอันไหนดีอันไหนส่วบนะโบหัจักบอกหนะัจักยูแต่มันสู่กิเลสบ่ดยกิเลสความโลภความโกรธความหลงหนะูวจักปัญได้คน ไ, นาาไปแต่ว่ามันสู่ความโลภบ่อย ผมว่าแต่มึ่งเผลอเท่านั้นแหะเอาหลดอันนี้ไปว่าขาดจริยาธรรมคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจข้นว่าคนมีคุณธรรมในจิตใจถ้าเขาไปเอากับเขาแมนยุเขาโบหูในเขาโบหูแต่เมื่อเขาหูขึ้นมากเมื่อใดนะเขาเสียใจเฮ้าขึ้นกันในเมื่อเฮ้าบบหูเขามาเห็ดเฮ้าเฮ้าโบหูแต่เฮ้าหูเมื่อใดถลูตาย เออเขาก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั่นเมื่อเขามีปัญญาเข้าหู้ว่ามันพิษนะเนี่ยเข้าอย่าไปทําให้กับอย่าไปทํากับเขาอย่าไปเห็ดให้เขาเออถึงเขาหู้เขาก็ต้องแนะนําเขาอันนี้มันเป็นแบบนี้แบบนีนะ้อันนี้ชิดของคุณนะอชิดของคุณต้องเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นชิดของคุณจะต้องได้คุณต้องได้เขาก็ต้องบอกเขาอันนี้คือ คนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่อยู่น้ากันแต่ว่าคนเมแตก่กิเลตรโลภโกรธหลงอยู่น้ากันเนี่ยโอ้อย่างคู่มือนี่แหละเนี่ยอย่างพวกเข้าท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยข้านพูว่าผู้ใดมีศีลมีธรรมเนี่ยเฮ้ยมันสูญกิเละบพราะอะไรนะมันหนามไฟมันมันมันมากกว่าหนามนะข้นานพูด พวกที่มีคุณธรรมศีลธรรมหลวงพ่อก็มีแตรบอกเกาะเกาะอยู่ในปางทีละกนันจะไปบอกเนชุ่มช่นเขาก็บวเสืออีกก้ยภาษาหลวงพ่ออินเขาจะางกันอีกเนี่ยเพราะเหตุใดพอวาไฟมันมันไหลกว่าน้ำถ้าว่าน้ำไหลากาไฟมันก็ต้องดับดับกันได้อยู่กันได้ด้วยความสงบลมเย็นเป็นสุกพ่อกันรักษากันนี่แหละ คอ้พวกเข้าท่านทั้งหลายเบื้องในหัวใจเจ้าของเรือบาดนี่ยใจของเขาเนี่มันเป็นจากไหนให้เบิ้งเจ้าของสิ่งใดพิษสิ่งใดถูกเข้าได้ศึกษามาปานนี้แล้วที่บุกหุจักบออันในควดเนี่ยบุ ว, นนยวรววจังใดเบื้องสูงเบื้องต่าสถานกลางพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสัตวาญาติโยมให้เบื้องเจ้าฟ้ามหากษัตริย์คือนยัง ขราชการผููใหญ่ปูดูแลประเทศชาติคือหยังพ่อแม่ของเห่าคื อ, อยังพี่น้องของเห่าคือหยังเอคู่บ่ายจานของเห่าคื อ, อยังพ่อแม่คู่บ่ายจาย์ของเห่าคือหยังลูกหลานของเห่าคื อ, อยังขั้นหูาจักว่างตัวหูวาจักสถานะของเจ้าของสริงควรบกขวนจังใดกันปฏิบัติตนใดนะ่อยู่ใจคือลมเย็นเป็นทุกข์มุดทนว่าก้าวไกลกันเอ ผู้แมนไผ่สูงนั่นอันนั้นแหละเดือดร้อนบุญไหว้ไป็นมรดกหัวละแห่งเพราะบไดดิบงเจ้าของนั้นขอให้พวกเข้าทุกคนนะที่หลวงพ่อผูดทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการยำเตือนว่ากล่าวสําหรับผวกเข้าทันทั้งหลายเป็นพุทธศาสนากชนให้มีศีลธรรมให้มีจริยธรรมที่ดีให้มีศีลหาง่ายๆอย่างที่หลวงพอ่ออธิบายให้ฟังศีลหา เขาเฮาเฮาเข า, เข า, เขา ม, มีประโยชน์จังไรสินหารับคนไมีสินหารักษาจกของแล้วนั่นแนหะจะไปให้รักษาผูอื่นนะสินหาคิดว่าจะให้ผู้อื่นรักษาอันนั้นแปลว่าคิดอีกแบบหนึ่งคิดแบบโง่อีกมันต้องรักษาจกของต้องนับหนึงจากจะข่าวพระเจ้าไป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 เราจะดอนทั้งหลายเป็นขี่ขโมยคดโกงกันเฮตผิดกคระเบียบเฮตพิษโคตรไมบ้บานเมืองเราจะหาความสงบทรมเย็นเป็นทุกใดจังใดข้าพเจ้าฮู้แล้วว่ามันศีลหาของพระพุทธเจ้าไม่คุ้นขาดข้าพเจ้าถึงจะยุลาคยากา็ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีศีลหาสิ่งใดที่มันพิษข้าพเจ้าจะบอ่อทําในสิ่งที่มันพิษนั่นมันพิดกคระเบียบของ บั่นเมืองผิดกฎหมายผิดศีลธรรมล่ะขาพระเจ้าจะบ่ทําในสิ่งนั้นคันว่าทุกคนมองเจ้าของจังจันแล้วนะั่นน่นอะโลกทั้งโลกก็จะสงบลงไฟทั้งหลายโลภโกรธโล ก, โกลมันจะสงบลงเออคอยเย็นไปเรื่อยๆจู่ทำการกันกยิ้มแย้มแจ่มใส ไ, ไปมาหาสู้กันมีแต่ความลมเย็ดเป็นซุขมีแต่ความโอบอ้อมอารีเอือเฟือเ่อเพื่อแพ้กันผู้ได้ทุกข์ผู้ได้จน มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนี่แหละลักถรรค้ามสอนของพระพุทธศาสนาต่อในไปรลบพ่อน่าอนุโมทนาให้พร